ไม่ทันเมื่อเช้าได้ถึงข้อที่เท่าไรจนเราอื่นจกมีความเห็นผิดในข้อนี้เราจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิแต่พูดถึงในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิกันนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยเห็นผิดเนี่ยก็คือโดยพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่ ว, วไปเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็คือเราจะมีความเห็นที่ค่อนข้างไม่ถูกต้องกันอยู่แล้วแล้วไม่ถูกต้องคืออะไรคือไม่ได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิเลยความเข้าใจในเรื่องของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเคยได้ยินคำนี้ไหมกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน <c oughs> เรามีความเห็นประเภทนี้ชัดไหม <c oughs> เราเข้าใจเรื่องกรรมแค่ไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เราเข้าใจว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากดีใจเสียใจได้ราบเสืิมราบได้ยอดเสื่อมยอ ด, ยอดนินทาสารเสริญสุขทุกข์ที่เราได้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะอะไร ใครใครใครี่เห็นว่าสุขทุกข์ที่เราได้รับในปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นเพราะกรรมเก่ายกมือขึ้นเป็นเพราะกรรมเก่าฮะเาใครเห็นว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเป็นเพราะมีเทพเจ้าโดนบันดาลใครเห็นว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเนี่ย เป็นเพราะอิทธิพลของดวงดาวดวงจันทร์หรือเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุปัจจัยเราเป็ น, นกลุ่มไหนเราเชื่อกรรมเก่าใช่ไหมเชื่อว่าสุขทุกข์ที่เราได้รับสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเนะี่ยเป็นเพราะกรรมที่เราทำไว้ในอดีตเราเชื่อไงั้นไหมทำไว้ในพบก่อน เพราะกรรมในพอก่อนเราจึงไม่ได้พ่ออย่างนี้ไม่ได้แม่อย่างนี้ไม่ได้พี่อย่างนี้ไม่ได้น้องแบบนี้ไม่ได้เพื่อนแบบนี้ไม่ได้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่านี่ลัทธิกรรมเก่าลัทธิกรรมเก่าเนี่ยพุทธิย่าเรียกว่าปุเพกตาเหตุวาทะปุเพกตาเหตุวาทะทิฏินี่เป็นลัทธิของนิคนนาฏบุตรไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ ไม่ใช่ทัศนาของพระเจ้าเนื้อเราเป็นอย่างนั้นไหมนั้นที่เรามาได้เราต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้การเป็นหมอเนี่ยเป็นเพราะกรรมในอดีตหรือกรรมปัจจุบันฮะ ที่เรามาได้สามีอย่างนี้เพราะกรรมอดีตหรือกรรมปัจจุบันที่เรามาได้พ่อได้แม่อย่างนี้เพราะกรรมอดีตหรือกรรมปัจจุบันอะไรถ้าไปดูในไปดูในกรรมนเนี่ยนะท่านบอกว่า อะไรเป็นกรรมเก่าอะไรเป็นกรรมใหม่อะไรเป็นความดับกรรมอะไรเป็นข้อปฏิบัติให้เขาถึงความดับกรรมใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่เป็นเป็นกรรมเก่าที่เราได้ตาแบบนี้ได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจไหมอันนี้เป็นผลของกรรมเก่านะแต่กรรมใหม่คือการกระทำในปัจจุบันไง กายกรรมวจียยกรรมและมโนโกรรมที่กําลังทํากันอยู่เจตจำนงและความจงใจและความตั้งใจเนี่ย <c oughs> ที่เราคิดอยากจะเป็นหมอเนี่ยเราคิดในปัจจุบันนี้หรือเปล่าหรือคิดมาแต่ชาติที่แล้วเออเนี่ยเป็นผนให้กับ <c oughs> คือโดยคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าเนะีไปเข้าใจว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเนี่ยเป็นผลของกรรมในอดีตการเชื่อในลักษณะอย่างเนี้ย ก็เลยเป็นคนที่ไม่เชื่อฉันทาในปัจจุบันไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อความปัญญาในปัจจุบันก็เลยทิ้งฉันทาทิ้งความเพียรทิ้งปัญญาในปัจจุบันก็ไปรอว่าแล้วแต่กรรมเก่ามันจะดนบันดาลให้เป็นไปลักษณะอย่างเนี้ยเป็นความเห็นที่ผิดเพราะกรรมเก่ามันก็ให้มาแล้วไงก็ให้อัตภาพมาแล้ว แต่เมื่อได้อัตภาพมาแล้วเนี่ยเราต้องดําเนินชีวิตเองเข้าใจอย่างต่อไปเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรก็มาดําเนินชีวิตเอาแต่เนี้ยเราอยากจะได้รับสุขได้รับทุกใดๆเนี่ยเราก็ต้องมาทําดิมองเห็นไหม <c oughs> แต่ไม่ใช่รอให้กรรมเก่ามาคอยดนบรรดาให้เราเป็นหรือได้รับสุขหรือได้รับทุกแต่เลยไปทิ้งเจตนากรรมในปัจจุบันมองเห็นยัง ฉะนั้นถ้าเราไปเอาความเชื่อของเราไปฝากไว้กับกรรมเก่าเนี่ยเอาสมมุตินะเออเราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่กรรมในอดีตล้วก็ไม่ต้องทำอะไรสิก็นอนรอผลอยู่ที่เดี๋ยวกรรมมันก็ให้ผลเองเชื่อว่ามันจะเป็นไหมนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวก็กรรมก็ผลักดันให้เราไปเป็นหมอเองไปเป็นทหารเองไปเป็นตำรวจเองไปเป็นข้าราชการเป็นครูเองแล้วก็เดี๋ยวกรรมจะผลักดันให้เรารลุธรเอง ถ้าพระพุทธเจ้าคิดอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจะต้องออกบวชไหมไม่ต้องเลยก็นอนอยู่ในบ้านนี่ยแหละเดี๋ยวสัมมาสัมโพธิญาณก็ไหลามาหาเองที่ใช่ไหมล่ะเาะฉะนั้นต้องขวนขวายไหมต้องขวนขวายต้องเพียรพยายามต้องมีฉันทะต้องมีปัญญาในการที่จะขวนขวายในการที่ทําตนให้บรรลุธรรมใช่ไหมล่ะเพรนั้นสรุปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยปัจจุบันกรรมใช่ไหมแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเพราะงั้นเถอเริ่มมองเห็นหรือยัง ฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเราไม่ใช่ลัทธินี้ไม่ใช่ลัทธิปเุเพกต่ายเฮตัวทัแต่เราเป็นกลุ่มไหนเราเป็นกลุ่มไหนกลุ่มเชื่อกรรมเก่าหรือกรรมใหม่มกรรมเราไปเข้าใจเรื่องกรรมคือการกรรมเนี่ยเป็นอดีตก็มีปัจจุบันก็มีเนีย แม้จะเป็นไปในอนาคตก็มีทั้นกรรมเนี่ยเป็นไปสามการนะฉะนั้นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันต่างกันว่าถ้าเรามองถึงในเรื่องของกรรมปัสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เขาไปรู้ในเรื่องของกรรมและผลของกรรมกรรมเป็นเรื่องของอะไรพระพุทธเจ้าบอกเจตนาหังพิกเวยกำ ม, มังวดามีดูก่อนพิกษทุทั้งหลายเราตาถาคตกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลจงใจแล้ว จึงทำจึงพูดจึงคิดใช่ไหมครสรุปแล้วก็คือเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมไหมเจตนาเป็นกรรมไหมเจตนาเป็นเป็นกรรมแต่สภาวธรํมอื่นๆเป็นด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเจตนาตัวเดียวนะมีเจมีตัวอื่นด้วยตัวไหน เจตนาคือความจงใจตั้งใจเนี่ยอันนั้นท่านกล่าวตัวนี้เป็นประธานก็จริงอยู่แต่สภาวธรรมอื่นๆก็เป็นด้วยไม่ใช่ไม่เป็นเนาะสภาวธรรมอื่นๆเนี่ยก็คือตัวความจงใจตัวตั้งใจนี่แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานี่แหละเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลถูกกระตุ้นเตือนด้วยอํานาจของเจตจำนงแล้ว ย่อมกระทำการงานที่เกี่ยวกับกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างเป็นต้นกรรมเป็นชื่อของกรรมของการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจการกระทำต่างๆสำเร็จลงได้ต้องอาศัยเจตนาเป็นประธานหรือเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นเจตนายิงชื่อว่ากรรมเนี่ยแต่ถ้าบอกเรียกเจตนาเป็นตัวกรรมนั้นเป็นการเรียกโดยอ้อมนะคือยกเอาชื่อของผลมาตั้งอยู่ในฐานะแหน่เหงเหตุ เพราะอะไรเพราะกรรมจะสาเร็จลงได้ไม่ใช่เจตนาตัวเดียวต้องมีสภาวธรรมอื่นๆมาเกิดร่วมด้วยเช่นจะต้องมีเวทนาที่เกิดร่วมกับเจตนาด้วยจะต้องมีสัญญาคือความจำเกิดร่วมกับเจตนาด้วยจะต้องมีการปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปที่เกิดร่วมกับเจตนาด้วยมองเห็นไหม จิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่มีเจตนาตัวเดียวนะเป็นตัวนำยังมีสภาวธรรมอื่นๆด้วยแต่เราไม่รู้เช่นความรู้สึกความรู้สึกที่เราจะโกรธเนี่ยมีเจตจำนงมีความจงใจตั้งใจที่จะโกรธไม่พอใจใครเนี่ยเจตนาเป็นตัวนำใช่ไหมไอเจตนากับความโกรธคอละตัวกันไหมคนละตัวจะเกิดร่วมกันได้ไหมใครเป็นตัวกระตุ้น เวทนาเป็นตัวกระตุ้นในความโกรธเกิดขึ้นนอกจากความโกรธแล้วยังต้องมีความจํามาเกี่ยวข้องได้ไหมไอคนที่เราจะโกรธหน้าตาแบบนี้อ่ะจะโหกแบบนี้อปากแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้แหละว่างอุปนิสัยแบบนี้นต้องจําได้ด้วยใช่ไหมเห็นหน้าคนนี้เรารู้สึกเกลียด ร, รู้สึกโทมนัสรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจต้องมีเวทนาด้วยแล้วต้องมีความอิจฉาริษยาเครียดแค้นชิงชังไปด้วยโอ้หมีหลายตัวเลยต้องมีการกระทบกระทั่งด้วยใช่ไหมใช่ ต้องมีความไม่รู้ตามความเป็นจริงเกิดขึ้นมาด้วยต้องมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาด้วยต้องมีความลำคานใจคือเข้ามาเกิดร่วมด้วยมันยังจะไปเที่ยวประกอบทำให้เจตนามีความเข้มข้นมากขึ้นรำพังเจตนาตัวเดียวมันเป็นบาปไม่ได้มันต้องเจตนาไปเกิดร่วมกับบาปอีกจำนวนมากเลยจำนวนสภาวธรรมอีกมากเลยมาปรุงแต่งจนสาเร็จเป็นอ ก, กุศลเน่ เป็นอักษรลกรรมทางมโนกรรมแล้วก็ผักดันมาเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นพฤติกรรมออกมากรรมมันถึงจะสําเร็จลงได้ก็เรียกการงานฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่ากรรมกับคําว่าการงานเนี่ยมันตัวเดียวกันงานก็คือการกระทํากรรมก็คือการกระทําก็คือกิจกรรมของชีวิตที่มันดําเนินไปกระบวนการความคิดที่ดําเนินไปการกระทําที่ดําเนินไปทางกายทางวาจาที่ดําเนินไปเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ากรรม เดี๋ยวเราไม่เข้าใจกรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีใช่เป็นกรรกลางๆเอาในขณะที่เราเมื่อสักครู่เนี่ยที่เร า, เ อ, าออกกาลังกายกันทาโยคะเนี่ยเป็นกรรมไหมเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือเป็นมโนกรรมเป็นครบมีใจคิดก่อนไหมแล้วก็ผลักดันให้มีกายออกมาใช่ไหมเป็นกรรมหรือยัง เป็นเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมรู้ได้ไง <c oughs> ไม่ตอนที่เราทำเนี่ยจิตเราเป็นยังไง <c oughs> มีเบื่อมีเซง็งไหมถามจริง ไอ้เบื่อรหรือเซ็งนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเออนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นอกุศลได้รูปแบบก็คือรูปแบบนะแต่สภาพของเจตจํานงอะ่ะบางทีมันเบื่ออะไรเนี่ยให้เรามายืดซ้ายยืดขวาทําอะไรเนี่ยมีใช่ไหมเบื่อเลยใช่ไหมบางทีใช่ไหมหรือทําแล้วสึกตื่นเต้น พอทำไปแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยเราได้พัฒนากายยภาวนานะต่อไปกายเราจะได้แข็งแรงเมื่อกายแข็งแรงแล้วเราจะได้เจริญศรัทธาได้เจริญสติได้เจริญสมาธิได้เจริญปัญญาได้เราคิดแบบนี้ไหมถ้าไปไม่ถึงเนี่ยก็เรียกกุศลไม่เกิดเอาแล้วเราจะทำกายยภาวนานี่แข็งแรงเมื่อกายภาวนาแข็งแรงแล้วเราจะได้เป็นปัจจัยต่อสีรภาวนา ศีลภาวนาเป็นปัจจัยแก่จิตภาวนาจากจิตภาวนาเป็นปัจจัยแก่ปัญญาภาวนาแล้วจะทํากายภาวนาสีทาภาวนาสีให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเพื่อเป็นปัจจัยแก่าการสิ้นจากกิเลสและของทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องทําร่างกายให้แข็งแรงจะได้เจริญกุศลได้สะดวกอู้ประคิดอย่างนี้ตื่นเต้นใหญ่เลยมคิดอย่างนี้ไหมถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้กุศลมันก็ไม่ค่อยเกิดสิใช่ไหมหล่ะ พราะเราไม่ได้มีข้อมูลในการทำเนี่ยถ้ามีข้อมูลในการทําโอ้ไปเลยเลยเนี่ยกุศลก็เดินยังติดต่อและต่อเนื่องเลยมองเห็นนี่ยังนะสรุปแล้วมันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้พระพุทธเจา้าไม่รู้อย่าพิ่งขยันเริ่มเข้าใจยังต้องรู้ถึงจะขยันเนี่ยฉะนั้นตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวเจตสิกธรรมเกิดร่วมกันกับมโนกรรมนี่แหละเกิดร่วมกับใจนี่แหละ แล้วก็เป็นเกลียดจำ侬ขึ้นมาเป็นความจงใจขึ้นมาก็ผลักดันให้การกระทําเกิดขึ้นที่การกระทํามันเริ่มจากทางใจแล้วยกตัวอย่างเช่นเราเกิดไม่พอใจใครขึ้นมาแล้วเกิดความโกรธเมื่อโกรธเมื่อเกลียดต่อมาเกิดความอาฆาตพยาบาทแล้วก็คิดอยากจะทําลายล้างให้เขาวิบัติไปอันนี้การกระทําเกิดขึ้นหรือยังเป็นการกระทำหรือยังนี่แหละเขาเรียกการกระทำมันสำเร็จแล้ว เราไปเข้าใจว่าการกระทํามันต้องออกมาทางกายยังไงออกมาทางวาจาแต่ทางมนโนกรรมเนี่ยมันเป็นการกระทําเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วนั่นแหละมันสําเร็จลงทางกรรมทางทางมนโนกรรมเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้การงานการกระทําเนี่ยแปลว่าความคิดที่มันสําเร็จลงได้นั่นแหละเครื่อกรรมสมฤร็จผลยันได้โกรธเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็คิดให้เขาวิบัติแล้วเนี่ยแปลว่าครบสมบูรณ์แบบในเรื่องของ พยาบาทมโนโทุจริตถ้าเราโลภอยากได้แล้วก็น้อมเอาสมบัติหรือสัตว์แลกสังขารที่เราเกี่ยวข้องเอามาเป็นของตนเองเนี่ยด้วยความชอบลักษณะอย่างเงี้ยมโนกรรมที่เป็นอภิชามโนทุจริตเนี่ยมันสําำริจผลไปแล้วถ้าเราเห็นผิดโดยไม่ต้องยังไม่ต้องไปทําอะไรก่อนนะเราเห็นผิดว่าฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าปลา ค่าหมูค่าวัวค่าควายเอามาเป็นอาหารไม่บาปมันเป็นอาหารของมนุษย์มันจะเป็นบาปได้ยังไงในความเห็นและความเข้าใจอย่างเนี้ยมันไปนค้านต่อเหตุเป็นการปฏิเสธเหตุเขาเรียกอหตุธกาทิฏฐิปฏิเสธเหตุแล้วก็เป็นนัตถิกาทิฏฐิด้วยปฏิเสธผลไม่มีผลนะหลักการการเข้าใจงี้ไม่มีผลหรอกการที่จะไปรับผลบุญผลบาปไม่มีไม่มี แล้วก็ปฏิเสธการกระทำไม่เรียกว่ากรรมแบบนี้เพราะเป็นอาหารของมนุษย์หรือไปเข้าใจว่าเออถ้าเราจะทำดีกับพ่อแม่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปอะไรหรอกไม่มีที่จะได้รับเป็นผลบุญผลบาปเราเคยคิดอย่างนี้ไหมงั้นเราจะโกรธพ่อแม่ก็ไม่เป็นบาปแล้วจะน้อยใจพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นบาป แล้วจะปฏิบัติดีกับพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นบุญอะไรหรอก <c oughs> <c oughs> เคยคิดงี้ไหมล่ะเอาถ้าเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโทษจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไฟเนี่ยเรากล้าเอามือไปแย่ไหมเห็นไหมล่ะแล้วเราเราเห็นไหมพ่อแม่เหมือนไฟอ่ะถ้าทําดีก็เป็นประโยชน์เอามาทำอุ้ยทําหุงหาอาหารก็ได้ ในขณะเดียวกันนั่มือแย่เข้าไปในกองไฟมันก็ไหม้มือเราเออเราก็จะรู้จักปฏิบัติต่อไฟไหมใช่ไหมเราก็ต้องรู้จัก ป, ปฏิบัติต่อไฟเพราะปฏิบัติถูกต้องเป็นคุณเนะ่ะแต่ปฏิบัติไม่ถูกเป็นโทษกับเราอะ่ะมองเห็นไหมเราเคยเห็นว่าเออพ่อแม่เหมือนไฟไหมล่ะเคยเห็นอย่างนั้นไหม <c oughs> <c oughs> เราไม่ค่อยเข้าใจเลยนะึกเข้าใจไหมเนี่ย ฮ <Huh? S 2> บางทีความเห็นของเราเราก็บอกว่าคุณของพ่อแม่มีไหมมีไห ม, มคุณของพ่อมีไหมคุณของแม่มีไหมปฏิบัติผิดต่อแม่เป็นบาปไหมปฏิบัติถูกกับแม่กับพ่อเป็นบุญไหมแล้วทําไมเราถึงโกรธพ่อแม่ได้อะบางทีหรือมันมีเหตุผลที่ต้องโกรธ เรอย่างนั้นใช่ไหมมันสมควรโกรธใช่ไหมเราคิดอย่างนันมเพราะท่านทําไม่ถูกอะ่ะใช่ไหมก็ฉันเป็นตุลาการเนี่ยฉันมีสิทธิ์ตัดสินเละเราคิดอย่างงี้ไหม <c oughs> งงไหมในพ่อพูดอย่างนี้งงไหมจริงๆแล้วเป็นยังไงเอาโลกนี้สัตว์ที่ตายจากโลกอื่นม า, มาเกิดในโลกนี้มีไหม นีไม่มีสัตสัตว์นรกตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มีไหมสัตว์เดรัจฉานตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มีไหมเปรตตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มีไหมอสุรกายตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มาไหมมนุษย์ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมได้ใช่ไหมเทวดาตายมาเกิดเป็นมนุษย์มีไหมรู้ได้ไงอ้าตอนพระเจ้าจะมาเกิดเนี่ยพระเจ้ามาจากอะไรมาจากชั้นสุติดุสิตใช่ไหมแสดงมาจากเทวดากิ่งใช่ไหมใช่ นี่เป็นต้นอพร้อมตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์กม็มีสรุปแล้วสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีนี่มาอยู่แบบไหนเนี้ยเราก็เข้าใจนึกว่าเป็นแสงพุ่งฟีดมาใช่ไหมเราเนึกอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเอากระบวนการของกระบวนการความคิดมันไม่ได้ไปอย่างที่เราเข้าใจเลยนะเอายกตัวอย่างเช่นเราอยู่อย่างเนี้ยลองคิดกลับบ้านหนึ่งครับคิดไปที่ห้องนอนของเราไปถึงหรือยัง เห็นไหมเมียต้องไปตีตัว๋วเครื่องบินไหม <c oughs> ไม่ต้องไปซื้อตั๋วเลยใช่ไหมความคิดเนี่ยมันไปถึงทันทีเลยเนี่ยกระบวนการความคิดมันเป็นอย่างนี้เลยนะเหมือนเราเปิดหีบขึ้นแล้วปิดหีบแล้วส่งใจไปในหีบไม่ต้องไปเปิดเลยนะมันสามารถเข้าไปในนั้นได้ฉะนั้นกรณีการไปถือปฏิสนธิในะที่ตรงไหนเนี่ยจิตนี้มหัศจรรย์มากสามารถนําเกิดทันทีไม่มีรูปร่างสัญฐานด้วย นี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะมีพลังขนาดนั้นนะนี่คือมโนกรรมนะนี่ขนาดนั้นเลยนะฉะนั้นสัตว์ที่ตายจากโลคนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ก็มีถ้าไปเห็นขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างนี้เขาเลยคิดผิดเพราะความจริงมันก็เป็นอยู่เราจะเห็นยังไงแต่มันก็เป็นแบบเนี้มีความจริงเป็นแบบนี้ไอ้คำว่ามิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดคือว่า <S <S <ๆ S 1> เห็นไม่สอดคล้องไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรเราเห็นตามความเป็นจริงก็าจึงเรียกเราเห็นถูก นี่เป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายที่บอกมีกรรมเนี่ยมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองถ้าเราไปเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บอย่างนี้ก็จะเห็นถูกต้องอย่างนี้เป็นตน้นเพราะยามองเห็นที่ยังงใดเนี้ย<ม>ทีนี้ในสักครู่นี้ที่เราพูดถึงในเรื่องของตัวกรรมเนี่ยกรรมที่นําเกิดก็มีใช่ไหมเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่มาพูดถึงในเรื่องของ กรรมตรงนี้ก็คือมาสอดคล้องกับความเห็นที่บอกว่าสัตว์เราอื่นใช่ไหมในข้อที่สิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยชนเราอื่นเนี่ยจักมีความเห็นผิดคือเป็นมิจฉาทิฏฐิในข้อนี้เราจักเป็นผู้มีความเห็นถูกคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีสองระดับระดับแรกๆจริงๆเขาเรียกกรรมโลกียะสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือกลุ่มพวกกรรมกสกตาสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาที่ไปฉลาดไปรอบรู้ในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมนี่ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะกายทุจริตวจีทุจริตโนทุจริตติเตียนพริยาเจ้าเนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบัติในโลกนี่เห็นอย่างเงี้ยเห็นถูกต้องนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพริยาเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์การเห็นสอดคล้องตามความเป็นจริงทีนี้ ทีนี้พอความเข้าใจของกรรมก็ต้องเข้าใจกรรมในระดับที่ลึกลงไปในตัวในด้านจิตใจด้วยเช่นกรรมที่พูดเมื่อเช้าที่บอกว่าเมื่อมีเจตจำนงในเรื่องที่ดีตอนนั้นสภาพจิตใจเราก็เป็นไปกับกุศลพอกุศลกกรรมเกิดขึ้นเจตจำนงความจงใจความตั้งใจที่เป็นกุศลตอนนั้นจิตก็ไม่มีโรค ก็าจิตแข็งแรงจิตตั้งมั่นจิตเป็นไปกับสมาธิไม่หวั่นไหวจิตมีพลังไม่อ่อนแอจิตที่ไม่มีโทษก็คือจิตไม่มีของเสียเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ่วไร้มนทินจิตที่เป็นไปกับสุขสมนัตนะป่าเปื้มปีติยินดีจิตที่เป็นไปกับความชานฉลาดถามว่าในขณะที่คุณภาพจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ตอนนั้นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเกิดขึ้น เมื่อกุศลกรรมเกิดขึ้นเมื่อกุศลกรรมเกิดขึ้นตอนนั้นกุศลกรรมให้ผลที่ไหนก่อนให้ผลที่จิตใจก่อนเมื่อเราสั่งสมสภาพจิตใจแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่ อ, องพองแผ้วจิตที่เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นจิตที่เป็นไปกับปราโมทย์ปีติปสัสสติสุขและสมาธิจิตที่เป็นไปกับสุขสมานัตจิตที่เป็นไปกับปัญญาเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องใจเราเป็นยังไงทีนี้ ใจที่เป็นไปกับความชานฉลาดก็เกิดขึ้นนี่เป็นกุศลเกิดขึ้นมันให้ผลที่จิตใจก่อนเนี่ระดับที่หนึ่งระดับที่สองมันให้ผลที่ไหนบุคลิกภาพพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาทั้งหลายบุคลิกภาพที่แสดงออกการปฏิสัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงก็อ่อนโยนเป็นไปที่ความสะอาดเยี่ยมอ่องผ่องแพ้วที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนี่เขาเรียกว่าเห็นไหมตัวกุศลเนี่ย มันให้ผลที่ใจก่อนอกุศนก็เหมือนกันอันดับแรกให้ผลที่ใจอันดับที่สองก็แปลเปลี่ยนมาเป็นบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่ดีงามเรียบร้อยดีงามระดับที่สามมันจะให้ผลที่มีลาบมียศสุขสารเสริญมองเห็นยังแล้วก็สมหวังแต่ระดับที่สามเนี่ยไม่แน่นะมันอาจ ย, ยังไม่ให้ผลก็ได้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปทําดีผิดการเนี่ยเช่นการนี้มีมีหัวหน้าเราเป็นคนเป็นวิชาทิษฐิแต่เราไปทําดีอ่ะมันขัดมันมันไม่ไม่ตอบมันไม่เป็นไปตามใจที่หัวหน้าเขาต้องการเนี่ยแล้วยอดเงินเดือนขั้นของเราจะขึ้นไ้มล่ะมันก็ไม่ขึ้นดิเพราะเขาไม่ชอบเห็นไหมแต่ว่าระดับที่หนึ่งกับระดับที่สองเราได้ไหมหนึ่งจิตใจสองบกเลิกภาพ มันได้แล้วระดับที่สามีลาบมียอดสุขสรารเสรนสมหวังอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะเราไปทําดีผิดเว ล, เวล่ําผิดบุคคลผิดสถานที่มองเห็นยังเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าเพราะในระดับที่สามมันไปเกี่ยวข้องกับสมมุติไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นด้วยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับกรรมนิยามอย่างเดียวไอ้กรรมนิยามเนี่ตัวเจตนากรรมที่เป็นกุศลอะกุศลมันให้ผลทันทีเลยที่จิตใจและบุคลิกภาพ เช่นถ้าเรามีจิตใจโกรธจิตใจเครียดจิตใจไม่ดีจิตใจเศร้าหมองจิตใจที่ไม่สะอาดเอี่ยมอ่องฟองแผ้วจิตใจที่มีโรคจิตใจที่มีของเสียเต็มไปหมดจิตใจที่เป็นไปกับความทุกข์ความเครียดใจที่เป็นไปความไม่ฉลาดบาปเป็นให้ผลที่ใจก่อนไหมสีหน้าแววตาก็ออกมาเป็นคนเศ้าหมองขุนมัวเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์แย่พูดจาก็แย่ปฏิสัมพันธ์ก็แย่สีหน้าแววตาก็ออกมาแบบแย่แย่แบบเครียดเอ้ยโกรธเอ้ย มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีออกมาเลยมองเห็นได้ยังระดับที่หนึ่งระดับที่สองมีผลและมันให้ผลระดับที่1ระดับสองไอ้ตรงเนี้ยมันชัดเจนผลกึ่งกำลัแล้วแต่ระดับที่สามไม่แน่ในขณะที่เราไปทำเนี่ยไปเครียดกับงานไปก้มกับงานไปตวาดลูกน้องลูกน้องหรือไปทํามีอิทธิพลในที่นั้นย่อมอาจจะมียศก็ได้เพราะคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เราอยู่ในแวดวงนั้นเขาชอบเขาชอบที่คนมีบุคลิกภาพแบบนี้ชอบคนเครียดชอบคนเอาจริงเอาจัง ชอบคนขี้โกรธชอบคนดา่าคนนั้นดา่าคนนี้โอ้โหดีใจคนคนนี้ยได้มารู้สึกดีคุมลูกน้องได้ดีว่างั้นเถอะแม่ก็เลยให้เงินเดือนเราซะสูงเลยทั้งทั้ที่ทําบาปแท้ๆทาไมมันได้อ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมทําไมถึงได้ดีอ้าวอันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหมือนอย่างเงี้ย ว, วานพืชเช่นใดปลูกพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น ปลูกมะม่วงเป็นอะไรปลูกมะขามเป็นมะขามปลูกขนุนเป็นขนุนปลูกทุเรียนก็เป็นทุเรียนใช่ไหมล่ะเหตุกับผลตรงกันไหมมันก็ตรงกันไหมพี่ใช้ยามท่านเอาไปเหียบเทียบอ่าพอปลูกมะม่วงปุ๊บปีนั้นความต้องการมะม่วงมีคนต้องการเยอะตลาดต้องการเยอะพอปลูกมะม่วงได้มากด้วยเลยขายมะม่วงก็เลยได้เงินเยอะปลูกมะม่วงได้ไรได้ไรก็ได้เงินคนก็ไปเข้าใจผิดที่ปลูกมะม่วงไม่ต้องได้อะไร แต่นี่ไปได้เงินก็ว่าปีนี้ดีแล้วเกินฉันปลูกมะม่วงฉันได้มะม่วงมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันปลูกมะม่วงแต่ฉันได้เงินคนเลยไปไปมาๆก็เลยเข้าใจผิดเฮ้ยคนเลยไหลปลูกกันใหญ่เลยปีต่อมาปลูกมะม่วงเต็มเลยทเนี้ยผลความต้องการลดปริมาณมันมากเกินไปปริมาณการปลูกมันมากเกินไปราคาตกวันนี้สวยเลยปลูกมะม่วงไม่ได้เงินนี่คนไปเข้าใจไหมว่าทําดีไม่ได้ดีเพราะไปเข้าใจว่า ทำดีฉันไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทำดีฉันไม่รับเสียงชมทำดีคนทำไมด่าเราเพราะเราไปเข้าใจผิดทำดีจิตที่ดีก็เกิดขึ้นใช่ไม่ใช่ทำดีคุณภาพจิตที่ดีก็เกิดขึ้นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วก็เกิดขึ้นจิตที่ชานฉลาดก็เกิดขึ้นจิตที่เป็นไปกับความสุขก็เกิดขึ้น ทำดีบุคลิกภาพที่ดีๆก็เกิดขึ้นนี่มันตรงตัวแล้วเนี่ยเหตุกับผลมันตรงกันแล้วแต่ทำดีอาจจะโดนด่าก็ได้คนก็ไม่ชอบการะทำแบบนี้เพราะเราไปทำผิดบุคคลผิดการผิดวินลัมเวลาใช่ไหมล่ะก็เหมือนปลูกมะม่วงมันก็ได้มะม่วงอยู่ดีนั่นแหละแต่อาจจะขายมะม่วงไม่ได้ตังก็ได้แต่ตังมันไม่ใช่ผลมะม่วงนะไม่ได้ผลโดยตรงนะเป็นผลโดยอ้อมนะเสียงชมก็ไม่ได้เป็นผลโดยตรงเขา้าใจยัง ยอเงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นผลโดยตรงของการทําดีนะมันไปเกี่ยวข้องกับสมมุตินิยามเป็นผลเขาเรียกเป็นผลพลอยได้แต่ผลโดยตรงคือคุณภาพจิตที่ดีบุคลิกภาพที่ดนะีมันเกิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยพอจะเข้าใจอย่างเดียนี้ยเนี่ยการเข้าใจอย่างนี้เป็นสมาธิทําดีสภาพจิตที่ดีก็เกิดขึ้นทําดีบุคลิกภาพที่ดีก็เกิดขึ้นถ้าถูกจังหวะถูกการถูกเวลาได้รบับแต่ยอดสุขสารเสริญเกิดขึ้น แล้วไม่ใช่แค่นั้นระดับที่สี่สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมได้รับผลการกระทําดีด้วยโอ้โหเดี๋นี้ไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าทําดีมีแยกให้เป็นสักสี่ระดับหนึ่งระดับจิตใจสองระดับบุคลิกภาพสามระดับมีราบมียอดสุขสารเสริญสี่ระดับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเออมันให้ผลยังไงนีัก็ิทไปวัดวัดดูนะพอมองเห็นหรืยังยากไหมนี่ไม่ยากยากได้ไง ยากเลยตามไม่ทันตามไม่ทันง่วงแล้วสิท่าลำบากจังมาเจอไม้งามตอนขวานบินเคยได้ยินคำนี้ไหมเจอไม้งามๆที่เราอยากจะได้ขวานเราก็ไม่คมขวานนั้นบินเราจะเราจะเอาไม้นั้นไปได้ยังไง มาเจอพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตอนแก่แล้วอายุมากแล้วตอนสมัยช้านฉลาดก็ไปเรียนทั้งโลกทั้งหมดพอจะมาเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ชนิดที่โอ้โหรับไม่ค่อยเข้าแล้วเคยเป็นไหมพอจะมาศึกษาคําสอนพระเจ้าให้เกิดความเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลเัองหนอยโอ้โหไปไม่ได้จะแล้วเข็นไม่ขึ้นเป็นไหมแบบนี้ สรุปแล้วตอนนี้ข้อที่สิบอชนเราอื่นจากมีความเห็นผิดในข้อนี้เราจะมีความเห็นถูกต้องก็คือเป็นสัมมาทิฏฐินั้นสัมมาทิฏฐิก็คือลำดับแรกๆเลยเนี่ยก็คือกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เขาไปรู้ในเรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมอันนี้ต้องชัดเนืพอเราะหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมตลอดไหม ทำเลยตลอดใช่ไหมมีเกียรติจำนงมีความจงใจทั้งเนี่ยทําตลอดเป็นทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมเราเคยรู้ตัวไหมว่าโอ้โหมันเป็นขนาดนั้นเลยเนะ่ยนี่เราก็ไม่รู้จุดหมายยังเราทําไปแล้วเราไม่เห็นอนาคตเลยเมื่อเราให้ทานเนี่ยมันให้ทาเราให้ทานเรายกอาหารไปถวายเดชสงเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมนั่งเรียนธรรมะนี่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ในขณะที่ฟังเนี่ยเป็นทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลอ่าในขะฟังธรรมะนี่เป็นศีลกุศลเป็นทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศล จริงๆเห็นไหมเราเคยในบุญกิยาวัตถุเนี่ยมีกี่อย่างมีสิบใช่ไหมมีอะไรบ้างทานศีลภาวนาแล้วก็อป จ, จายนะการประพฤติอ่อน่อนน้อมตมตนวว ย, ยาวัจจานะการกระทำประโยชน์ควนๆวนขวายในการทัประโยชน์ปฏิทานะให้ส่วนบุญปัตานุโมทนาอนุโมทนาส่วนบุญใช่ไม ธรรมศสวรรการฟังธรรมธรรมเทศนาการแสดงธรรมแล้วก็ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงให้เป็นสมาธิสุปแล้วฟังธรรมจัดในเป็นภาวนากุศลแสดงธรรมก็เป็นภาวนากุศลการทำความเห็นให้ตรงให้เป็นสมาธิก็เป็นภาวนากุศลตอนนี้เรากําลังเจริญอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่คือเจริญภาวนากุศลอยู่ เราไปเข้าใจเจริญภาวนาคือนั่งหลับตาใช่ไหมล่ะเราลืมไปว่าฟังธรรมเนี่ยเป็นภาวนากุศลแสดงธรรมเนี่ยเป็นภาวนากุศลและการปรับทัศน์ความเห็นเจตทัศน์จิตจตจำนงของเราให้มันตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นภาวนากุศลสําคัญไหมถ้าความเห็นเราไม่ตรงเนี่ยไปเดินก็ไม่ตรงความเห็นผิดเนี่ยไปเดินก็ผิดเดินอย่างความเข้าใจผิดเนี่ยนั่งอย่างคนเข้าใจผิดยืนอย่างคนเข้าใจผิดนอนอย่างคนเข้าใจผิด ไปทำกิจกรรมใดๆก็ผิดหมดนะเพราะเราเข้าใจผิดฉะนั้นการปรับทัศนคติให้เป็นสัมมาทิฏฐิสําคัญหรือไม่สําคัญฉะนั้นชนเราอื่นจากเป็นผู้มีความเห็นผิดในข้อนี้เราจักเป็นผู้มีความเห็นถูกที่เป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นต้องรีบปรับซะตอนเนี้ยเขาเรียกว่าเอาพวกเรามาปรับทัศนคติเคยได้ยินไหมเี๊ยมันฟังคุณคุ้นๆยังไงชอบโกนในคำนี้ ให้ใครปรับให้เราให้พระพุทธเจ้าปรับให้เราทีให้พุทธเจ้าปรับปรับจากความเห็นที่ไม่ตรงก็ปรับให้ตรงตอนนี้เริ่มตรงหรือยังเริ่มตรงหรือยังฉนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการเข้าใจในเรื่องว่โอ้เรื่องความเห็นนี่สําคัญไหมฟังทำเป็นเป็นไเราเป็นคนมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธามีศรัทธาใช่ไหม เชื่อมั่นนะมีศรัทธาในในคำสอนเป็นคนชอบฟังหรือไม่ชอบฟังไม่เนี่ยกำลังคุยอยู่เนี่ยชอบฟังหรือไม่ชอบฟังชอบฟังอันนี้ไแล้วฟังแล้วจำได้หรือจำไม่ได้แล้วจำได้แล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้ เนี่ยมันเห็นไหมว่าถ้านหนึ่งไม่เชื่ออันนี้หมดหมดสิทธิ์แล้วไม่รู้จะให้ยังไงสองไม่ชอบฟังเขาอีกยกเลยเลยนนี้เลิกเลยเอา้าเชื่อด้วยชอบฟังด้วยจำได้ไหมเอาชอบฟังแต่จำไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะปฏิบัติไงต่อเลยนะเหมือนไปบอกวิธีการขับรถเนี่ยโอ้โหฉันฉันอยากที่ฉันเชื่อมากฉันอยากฉันเชื่อฉันจะต้องมาฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ย ฉันจําไม่ได้อ่ะฉันชอบฟังมากเลยเนี่ยวิธีการขับรถยังไงยังไงเนี่ยแต่ฟังแล้วฟังอีกแต่ฉันจําไม่ได้คิดว่าคนนี้จะขับได้ไหมหรือจําได้จริงแต่ฉันไม่เข้าใจเลยไม่รู้เกียร์อยู่ยังไงเข้าเกียร์ยังไงไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ได้อีกอันเดียวกันเราต้องการที่จะดําเนินชีวิตของเราเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิเพื่อจะเข้าสู่การพ้นทุกข์ใช่ไหมเราไม่เอาแล้วความเป็นบุรุชน เราไม่เอาแล้วความเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่เอาแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราไม่สามารถเข้าถึงความงามในพระธรรมระดับเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดได้เราบอกว่าต่อไปเนี่ยฉันจะต้องออกจากความเป็นบุรุชนให้ได้เข้าสู่เป็นอริยชนให้ได้สองเราจะออกจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุทธะให้ได้สเราจะต้องเข้าถึงความงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของพระธรรมให้ได้เราตั้งใจอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมาแล้วแต่เนี้ยแต่ถ้ามาบอกว่าฉันก็มาอย่างนั้นแหละเรื่อยๆ ฉันไม่ได้มีจุดหมายอะไรหรอกฉันเคยไปปฏิบัติฉันก็ต้องการให้จิตสงบสงบแค่นี้ฉันก็พอแล้วไม่ยากเลยนะไปฟังเพลงที่บ้านก็ได้สงบอะ่ะใช่ไหมล่ะแต่วันนี้เรามีความคิดว่าโอ้โหสมการที่สุดตัวสมมาทิฐิฉะนั้นไอ้ตัวภาวนากุศลคือหนึ่งฟังเวลาฉันมาก่าวพระธรรมเนี่ยฉันก่าวด้วยใจที่น้อมในพระธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉันกาลังเจริญอะไร ภาวนากุศลและในขณะเดียวกันเนี่ยยอมก็ได้ภาวนากุศลในส่วนของฝั่งฝั่งข้อมูลสองเมื่อฟังไปแล้วยอมก็ปรับทัศน์ความเห็นของตนเองเนี่ยให้ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้ายอมได้สองส่วนเลยนะได้ทิฏฐุชุ ก, กรรมได้สัมมาทิฐิคือความเห็นที่ตรงนี่ยมมาเจริญภาวนาทำไมนเนี่ยบุญที่สําเร็จจากการเจริญภาวนาภาวนาคือทําอะไรให้เกิด ทำปัญญาให้เกิดทำศรัทธาให้เกิดทำความเพียรให้เกิดทำสติให้เกิดทำสมาธิเป็นต้นให้เกิดทำศีลทำสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกภาวนานภาวนาเนี่เป็นกายกรรมวิจีกรรมหรือเป็นมโนกรรมภาวนากุศลเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือเป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรมที่เราฟังแล้วเกิดความเข้าใจในมโนกรรมเนะ นั่นแหละก็เป็นมโนโกรรมพอฟังปุ๊บเกิดความเข้าใจปุ๊บนี่เป็นกุศลหรือยังเป็นกุศลแล้วตอนในขณะที่เกิดความเข้าใจเกิดความรู้ขึ้นมานะั่นเป็นมิจฉ า, าทิฏฐิหรือสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิเกิดขึ้นนั่นแหละเรื่องมโนกรรมเกิดขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จําแล้วก็เริ่มมานัสสิการเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนัเข้านัเขาก็ทรงความเข้าใจนั้นไว้แล้วก็เอาไปฝึกเลยทียเนี่ยนะ ดำเนินชีวิตต่อไปได้เลยเนี่ยอย่างลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นจากการฟังนี่ข้อสิบเอ็ดเป็นอย่างนี้คือคือว่าคนเราอื่นเขาเห็นผิดแต่ในข้อ น, นี้เราจะทําความวินถูกคือสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นเออตรงนี้ตรงนี้ที่ให้อ่านไปเนี่ยเนี่ยได้หลักคืออย่างนี้ทั้งที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าตัวคนเราอื่นเห็นผิดในในเรื่องนี้ในใน ในเรื่องนี้เราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอันนี้พูดถึงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิในองค์มครดยด้วยนะเป็นทั้งโลกียะสัมมาทิฏฐิและก็พัฒนาไปถึงโลกุตตะลสัมมาทิฏฐิด้วยเนาะแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆตรงเนี้หนึ่งเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมตรงนี้พื้นฐานจริงๆก็คือว่าให้เราเข้าใจว่ากระบวนการชีวิตของพวกเราที่ดําเนินไปเนี่ยเราทํากรรมกันตลอดกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยเป็นทั้งกุศลและอกุศล ต, ตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งอัธยาศัยไว้ว่าจะเจริญว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดเวลาเราลืมตาตื่นขึ้นมาหลายคนน้อยคนในที่จะตั้งความรู้สึกว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดเราจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นใครเคยคิดงี้ไหมจะให้ทานกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นศีลกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นภาวนากุศลเท่านั้นเกิดขึ้นในกระแสะชุติข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเคยตั้งอัธยาศัยแบบนี้ไหมล่ะ เนี่ยการตั้งแบบนี้เป็นการฝึกขัดที่จะทำตนเองให้การขัดเกลาเกิดขึ้นได้จริงๆ